บทที่สองความทุกข์และความพ้นทุกข์ความทุกข์มีสองอย่างคือความทุกข์กายและความทุกข์ใจความทุกข์กายเป็นความทุกข์ตามธรรมชาติเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหิวต้องกระหายต้องหนาวต้องร้อนส่วนความทุกข์ทางใจ เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความรักคือโลภะหรือตัณหาคือความรักกายบ้างความรักใจบ้างเมื่อรักกายก็อยากให้กายได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเช่นมีสุขภาพดีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อาหารที่ดีได้ขับถ่า ย, อ ย, าายอย่างสบายได้พักผ่อนอย่างสบายได้รับสัมผัสทางกายที่นุ่มนวลไม่แข็งกระด้าง ไม่แหลงคมและไม่หนาวร้อนเกินไปเป็นต้นหากไม่ได้สิ่งเหล่านี้หรือได้สิ่งตรงข้ามก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นเมื่อรักใจก็อยากให้ใจได้รับแต่ความสุขความเพลิดเพลินสิ่งใดที่คิดว่าได้มาแล้วจะสบายใจก็พยายามสแสวงหามาปลนเปลืตนเองเช่นหาของสวยงามมาดูหาเสียงที่ไพเราะมาฟังหากลิ่นที่ดีมาดม หารถที่อร่อยมากินหาสัมผัสที่สะอาดอบอุ่นนุ่มนวลและสวยงามมาให้กายและหาความบันเทิงใจต่างๆเช่นการดูหนังดูละครการชื่นชมงานศิลปะวัฒนธรรมต่างตลอดจนการได้มีได้เป็นต่างๆเช่นได้มีบ้านที่สุขสบายสวยงามมีเครื่องประดับตกแตง่งมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานที่ดี มีรายได้ที่ดีมีชื่อเสียงเกียรติยศมีผู้แวดล้อมเช่นญาติและเพื่อนที่ดีที่อยากได้สิ่งเหล่านี้มาก็เพราะคิดว่าถ้ามีอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือไม่มีไม่เป็นอย่างนี้แล้วจิตใจจะมีความสุขบางคนก็สแสวงหาความสุขอย่างถูกทำนองคลองทำบางคนมีความหลงผิดก็สแสวงหาความสุขในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนตนเองผู้อื่น สัตว์อื่นและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าทรงสอนทางปนทุกโดยเริ่มจากการกระจัดความทุกข์ทางจิตใจก่อนดังที่ได้กล่าวแล้วว่าความทุกข์ทางจิตใจเกิดจากความรักกายรักใจเป็นตัวตั้งแล้วจึงเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทำให้จิตใจเกิดความเร่าร้อนกระวนกรวายไปด้วยความอยากนั้นทางจะแก้ทุกข์จึงต้องจัดการเข้ามาที่ต้นตอโดยมุ่งกระจัดความรักกายรักใจอย่างผิดผิดคือท่านสอนให้ตามรู้ตามสังเกตเข้ามาที่ร่างกายและจิตใจนี้จนรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นอสสารพิษร้ายที่เราหลงไปนอนกอดอยู่แท้ๆคือกายนี้ใจนี้ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้ก็จะเลิกหลงผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราเมื่อไม่หลงผิดอย่างนี้ก็นับว่าเดินได้ถูกทางหรือเข้ากระแสธรรมแล้วย่อมจะมีความพ้นทุกข์เด็ดขาดรออยู่เบื้องหน้าเมื่อตามรู้กายตามรู้ใจมากเข้าในที่สุด ก็จะหมดความรักกายและความรักใจเพราะรู้ว่ามันเป็นตัวทุกแท้ไม่ได้ตัวดีอะไรเลยมีแต่คอยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอๆเช่นเดี๋ยวก็หิวหนาวร้อนปวดเมื่อยเจ็บป่วยเดี๋ยวก็อยากนั่นอยากนี่ทำให้จิตใจต้องเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่เสมอ เมื่อหมดรักกายหมดรักใจแล้วการดิ้นรนเ ร, าร่าร้อนของจิตใจที่อยากจะได้สิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้และไม่อยากได้ไม่อยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหมดไปเช่นเมื่อร่างกายเจ็บป่วยใกล้ตายก็จะไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะเห็นประจักษ์อยู่แล้วว่ากายเป็นก้อนทุกข์ไม่น่าหวงแหนแต่อย่างใดนี้เป็นความพ้นทุกข์อย่างแรกคือ ความพ้นทุกข์ทางใจเพราะหมดความอยากเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานและสมมติเรียกผู้พ้นทุกข์ว่าพระอระหันต์ต่อมาเมื่อร่างกายแตกดับลงก็เป็นอันหมดความทุกข์ทางกายลงอีกอย่างหนึง่งและเมื่อไม่มีความอยากหรือความดิ้นรนทางใจเหลืออยู่การแสวงหากายใหม่และใจใหม่ในภพต่อไป จึงไม่มีเรียกว่าไม่เกิดอีกนี้เป็นความพ้นทุกอย่างที่สองเรียกว่าอนุปาทิเสสนิ พ, พานนี้คือใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรทำความเข้าใจให้ได้หลักของการปฏิบัติมีอยู่เพียงแค่ว่าจิตใจมีความรู้สึกอย่างไร